ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของประณีตเป็นของสูงเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยเหมือนเหมือนเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานแล้วท่านให้พระธรรมวิ น, นัยนะเป็นาศาสดาแทนงั้นเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยคือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล เ, เข้าเฝ้าด้วยความสงบด้วยความสำรวมถ้าใจเราเนี่ย อ่อนน้อมนะอ่อนโยนสงบธรรมะที่จะถ่ายทอดออกไปมันจะประณีต ธ, ธรรมะที่ครูบาอาจารย์แสดงในสายการปฏิบัติเนี่ยท่าไม่ได้ท่องจำอะจิตของเรามีคุณภาพขนาดไหนนะธรรมะที่ท่านแสดงก็จะพอดีกับจิตของเราถ้าจิตของเราฟุ้งซ่านธรรมะมันก็ไม่ดีฟังไปก็เสียเวลาอุตส่าห์เดินทางมาตั้งนาน เสียค่าน้ำมันเสียค่ารถงั้นต่อไปนี้เราถวายเวลาชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเป็นการบูชาพระเจ้านะฟังธรรมและความเคารพแต่ไม่ใช่ถึงขนาดต้องเคร่งเครียดนะธรรมะของพระเจ้านะสงบแต่ว่าร่าเริงใจของเราต้องเปิดออกมามีความสุขมีความสงบ ใ, ใจของเราเปิดกว้างมีความสุขความสงบนะ ธรรมะจะมาสู่ใจของเราธรรมะแท้ๆเนี่ยเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านด้วยการฟังด้วยการคิดธรรมะแท้ๆเนี่ยแสดงตัวอยู่ในใกายในใจของเรานี่เองนี่เราจะสามารถเห็นธรรมะแท้ๆที่แสดงตัวในใกายในใจได้จิตของเราต้องมีคุณภาพถ้าจิตไม่มีคุณภาพก็ไม่สามารถเห็นธรรมะที่เขาแสดงอยู่ แท้จริงธรรมะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามธรรมะก็แสดงอยู่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้หรือไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามธรรมะก็แสดงตัวอยู่อาศัยพระพุทธเจ้านี่แหละมาสอนให้เราเห็นธรรมะที่กำลังแสดงตัวอยู่มันแสดงมานานแล้วแต่เราไม่เห็นใจเราไม่มีคุณภาพพอที่จะรู้พอที่จะเห็น อาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้เรารู้วิธีนะที่จะดูธรรมะซึ่งปรากฏอยู่ในกายในใจนี้การเรียนธรรมะนั้นไม่ได้เรียนเอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรหรอกเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเรียนเพื่อให้เห็นธรรม น, นั่นเองธรรมะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะส่วนของรูปธรรมกับส่วนนามธรรมอันนี้คือธรรมะที่เราต้องเรียนรู้ รูปธรรมคือส่วนที่ประกอบเป็นร่างกายของเรานี้นามธรรมก็ส่วนที่ประกอบเป็นจิตใจของเรานี้ถ้าเราสามารถเรียนรู้ธรรมะในรูปธรรมนามธรรมนี้ได้แล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วจิตจะไปเห็นธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งพ้นไปจากรูปธรรมและนามธรรมธรรมะนั้นคือพระนิพพาน นิพพานมีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีนะไม่เคยหายไปไหนเลยพระนิพพานไม่เคยเก่าไม่เคยแก่พระนิพพานก็คงตัวอยู่ตลอดมาจะมีคนรู้จะมีคนเห็นหรือไม่เห็นนิพพานก็ยังเป็นนิพพานอยู่อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้ามาต ร, รัสลูก็มาสอนทางให้เรารู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะจนปล่อยวางรูปธรรมนามธรรม พอวางรูปธรรมนามธรรมแล้วเราก็เห็นนิพพานรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั้นมันเป็นกองทุกข์พวกเรากลัวทุกข์เกลียดทุกข์นะแต่ว่าเรามีกองทุกข์อยู่คือรูปธรรมนามธรรมนี้แหละกายนี้ใจนี้นี่แหละเป็นที่ตั้งของความทุกข์แล้วตัวมันก็เป็นตัวทุกข์พระพุทธเจ้าสอนวิธีที่รู้รูปธรรมนามธรรมนะจนกระทั่งวางได้แล้วไปเห็นพระนิพพานใด้พ้นจากรูปธรรมนามธรรม การจะรู้ร er. ูปธรรมนามธรรมของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ทุกคนละเลยที่จะรู้ร่างกายของเราขณะนี้หายใจออกหรือหายใจเข้าถ้าเราอยากรู้เราก็รู้ได้แต่เราไม่สนใจจะรู้ร่างกายขณะนี้ยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนเราอยากรู้เราก็รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้ร่างกายขณะนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์เราก็รู้ได้ แต่เราล่าเลยที่จะรู้จิตใจของเราก็เหมือนกันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์หรือจิตใจเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์พวกเราก็รู้ได้ใครๆก็รู้ได้รู้จักความสุขไหมในใจความทุกข์ในใจรู้จักทุกคนแต่ล่าเลยที่จะรู้กูสนทั้งหลายเกิดขึ้นที่จิตที่ใจถ้าเราอยากรู้เราก็รู้ได้อย่างบางทีเราก็มีศรัทธาบางทีก็มีความเพียร บางทีเขามีสติบางทีมีปัญญาบางทีก็มีเมตตากรุณาเคยมีเมตตาไหมมีใจเมตตารู้สึกเป็นมิตรกับคนอื่นสิ่งองินเคยมีกรุณาแม้กรุณาเนี่ยเห็นอกเห็นใจคนอื่นสงสารคนอื่นเนี่ยเป็นคุณธรรมนะคุณธรรม เ, เหล่านี้เกิดที่ใจเรารู้เราก็รู้ได้แต่เราก็ละเลยที่จะรู้กิเลสรู้จากกิเลสรู้จากโกรธไหม ใครเคยโกรธบ้างยกมือให้ดูหน่อยโกรธขึ้นมาเราจะรู้ว่าโกรธไหมเราก็รู้จักโรบเราก็รู้จักหลงเราก็รู้จักฟุ้งซ่านเราก็รู้จักหดหูเราก็รู้จักอิจฉารู้จักไม่อิจฉาเซ็งรู้จักไหมเซ็งเบื่อนะเยนเย็นกับเบื่อก็ยังไม่เหมือนกันใช่ไหมในความรู้สึกนานาชนิดนะพวกเราก็รู้จักได้ลังเลสงสัยรู้จักไม สงสัยหดหูซึมเศร้าเป็นไหมเคยเป็นไหมผู้หญิงเป็นเยอะนะบางทีไม่มีอะไรทําก็นึกอะไรให้มันเศร้าๆอยากเป็นนางเอกนะให้ซึมเศร้ารอพระเอกมาปลอบขวัญนะเพื่อนผู้ชายยุคนี้ก็ค่อนข้างหน่อมแนมนะผู้ชายก็เศร้าเหมือนกันรอให้ผู้หญิงมาปลอบเหมือนกันนะไม่ค่อยเป็นช้างเท่าหน้าแล้วละ่ะทีนี้ เดียนี้ดูยากนะบางคนหลวงพ่อเดินนะั้นให้อยากให้รูปหัวเราต้องดูแล้วดูอีกนั้นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูยากะแต่งตัวก็เหมือนกันทรงผมก็เหมือนกันเลยดูยากเนี่ยกิเลส ท, ทั้งหลายเราก็รู้จัก่ยกุศลเราก็รู้จักสุขเราก็รู้จักทุกเราก็รู้จักใครๆก็รู้จักแต่มันละเลย เราละเลยที่จะรู้สึกถึงร่างกายเราระเลยที่จะรู้สึกถึงจิตใจตัวเองทำไมถึงละเลยเราไม่รู้ว่าการที่จะคอยรู้กายรู้ใจนี่ เ, เป็นทางที่จะพาเราไปสู่ความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเราอยากพ้นทุกข์ทุกคนไม่อยากมีความทุกข์หลับอยากจะมีความสุขแต่เราไม่รู้วิธีเราก็ดิ้นรนไปนะซื้อมือถือมาสักตัวหนึ่งมีความสุข คนขายบอกว่ารุ่นนี้รุ่นล่าสุดเลยซื้อมาเราก็มีความสุขสองสามวันรนะุ่นใหม่ออกอีกแล้วไอ้ความภูมิใจของเรามมีรุ่นล่าสุดหายไปแล้วเศร้าใจเราไม่น่าซื้อเลย ใ, ใจของเราเนะมันเปลี่ยนตลอดเวลารู้ก็รู้ได้แต่เราไม่รู้ว่าควรจะรู้ถ้าเรามันคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจเรื่อยๆนะวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงของกายของใจ กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษหรอกกายนี้ใจนี้มีแต่ตัวทุกข์ถ้าสามารถเห็นอย่างนี้ได้จิตจะปล่อยวางถ้าจิตเห็นทุกข์นะจิตก็ปล่อยวางจิตก็ไปเห็นพระนิพพานบางทีครูบาอาจารย์ท่านก็พูดนะถ้าเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมธรรมก็คือนิพพานนั่นเองถ้าเห็นทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่กายเคอยรู้สึกอยู่ในกายบ่อยๆทุกข์มันอยู่ที่ใจคอยรู้สึกที่ใจบ่อยๆ่อรู้สึกบ่อยๆ จนกทั้งใจมันเข้าใจใจมันยอมรับแล้ร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์แท้จริงร่างกายของเราเป็นตัวทุกข์จิตใจของเราเป็นตัวทุกข์แต่เราไม่เคยเห็นเราลาเลยที่จะดูนะต่อไปนี้ให้ความสนใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอยรู้สึ ก, ร, สกรู้สึกให้บ่อยที่สุดยิ่งบ่อยเท่าไหร่โอกาสที่จะเข้าใจก็มีมากขึ้นเท่านั้น เหมือนเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งที่อ่านยากเข้าใจยากอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจเราค่อยมาดูกายค่อยมาดูใจเหมือนเราอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งร่างกายก็จะสอนให้เห็นความจริงนะร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์จะกินจะนอนจะทำอะไรนะมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์เชื่อไหมว่าหายใจออกหายใจเข้าก็ทุกข์ลองดูสิลองหายใจเข้าหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยดูสิจะทุกข์หรือจะสุขเอาเลยนะอสักห้าหกนาทีลองดูมาท้อใจแล้วทําไม่ได้อะนาทีเดียวก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมทําไมอ่ะหายใจเข้านาทีหนึ่งก็ไม่ได้มันทุกข์นึกออกยังอ้าวหายใจเข้าเป็นทุกข์นะลองหายใจออกสิออกให้ยาวที่สุดเลยลองดูซิ สุหรือทุกข์เอาสักนาทีหนึ่งไหวไหมไม่ไหวหมดลมนะเห็นไหมหายใจออกนะก็สักพนะักเหนือทุกข์นะทุกข์นี่ยจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็ต้องแก้ทุกข์ด้วยการหายใจออกหายใจออกไปก็ทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะทนไม่ไหวก็แก้ทุกข์ด้วยการหายใจเข้าการที่เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถทําไมเราต้องขยับไปขยับมา ใครนั่งแล้วยังไม่ขยับเลยมีไหมนี่หลวงพ่ อ, อยังนั่งต้องขยับนะต้องคอยเิ่งไหมเพราะถ้าหลวงพ่อพิงนําจะเป็นมันจะเทศไม่ได้ <c oughs> คอยดูนะคอยรู้สึกที่ร่างกายความทุกข์เนี่ยบีบคั้นอยู่ตลอดใครนั่งอยู่แล้วเกาไปแล้วบ้างมีไหมใครเกาไปแล้วบ้างหลวงพ่อเห็นเยอะเลยนะแต่พวกเราเกาอัตโนมัติ เราเราก็ไม่รู้ขันก็ไม่รู้ว่าคันนะขันเสร็จแล้วก็เก่าเก่าก็ไม่รู้ว่าเก่าอีกพอหายคันแล้วสบายใจนั่งต่อนั่งแล้วก็ต้องขยับไปขยับมาเพราะมันเมื่อยเมื่อยนานๆเนี่ยขยับก็ไม่หายเมื่อยต้องลุกขึ้นเปลี่ยนอิริยาบถไปงั้นอิริยาบถหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่แหละทำให้เราไม่เห็นทุกข์ในร่างกายงั้นต่อไปนี้เราควรมีสตินะ คอยรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกสบายๆอย่าไปบังคับร่างกายนะรู้สึกไปสบายๆจะเห็นในร่างกายเนี่ยมันถูกความทุก <ping> <ส>ข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่บางคนไม่เห็นความทุกข์นะบางคนพอร่างกายเราถูกายอยู่เนี่ยจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะรู้สึกในร่างกายนะจะเห็นได้สองอย่างที่ชัดอันหนึ่งเห็นความทุกข์ อันที่สองจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันไม่ใช่ตัวเราตัวนี้จะดูยากกว่าตัวทูกหน่อยถ้าใจของเราเป็นคนดูใจของเรามันถอนตัวมาเป็นคนดูนะอย่าทุกคนลองยิ้มสิ ย, มยิ้มหวานๆนะพระก็ยิ้มได้นะยิ้มยิ้มหวานๆเรยรู้สึกไม่ร่างกายกาลังยิ้มอยู่ในเวลาเราดูในร่างกายนะเราเรูด้วยความรู้สึกเรา เรารู้สึกเอาเราไม่ต้องเป็นเอากระจกมาส่องอไม่ต้องส่องกระจกก็รู้ว่ายิ้มใช่ไหมลองทําหน้าบึ้งสิหน้าบึ้งเหมือนกําลังโกรธใครมาะคนยืมกันเราไม่ใช้่เราดูสิบอกให้ทําหน้าบึ้งกับทําหน้าทะเลันอีกเอ <c oughs> เ, เ, เ, เวลาหัวเราะรู้สึกไหมเวลาหัวเราะร่างกายมันหัวเราะใจเราเป็นคนดูลองพยักหน้าสิรู้สึกไหมมันพยักหน้า ร่างกายเคลื่อนไหวใจมันเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะนี่ร่างกายจะขยับร่างกายจะทําอะไรร่างกายจะยิ้มร่างกายจะหัวเราะร่างกายจะน้าเบื้องนะร่างกายจะยืนเดินนั่งนอนอะไรคอยรู้สึกไปรู้สึกไหมตัวที่กําลังขยับอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรานะถ้าใจของเราเป็นคนดูได้นะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ร่างกายนี้จะไม่ใช่ตัวเราทันทีเลยเอายิ้มหวานใหม่ตอนนี้กําลังงงยิ้มยิ้มแล้วเห็นตัวเองยิ้มไหมเห็นไหมตัวอะไรยิ้มเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้ามันไม่ใช่เราหรอกที่จริงมันก็เป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุธาต่เคลื่อนไหวไปมาถ้าใจเราถอยออกมาเป็นแค่คนดูสบายสบาย เราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราในการเรียนรู้ความจริงของกายนะก็ดูแบบนี้แหละกายนี้เป็นทุกข์กายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุมีความรู้สึกลองรู้สึกไปทั้งตัวรู้สึกสบายๆทั้งตัวนะแล้วหายใจไปเห็นไหมมันมีลมไหลเข้าไปมีลมไหลออกมา ไหลเข้าไปในอะไรไหลไปในตัวนี้ไม่คล้ายๆเป็นถุงถุงหนังใบหนึ่งนะพลมเข้าไปมันก็โปง่งเนี่ยมันก็แฟบเนี่ยมันก็โปง่งแนะ่ ใ, นใจเราเป็นคนดูอยู่นะนจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่หันดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนี่คือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายฮนะันดูบ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิด พอร่างกายแก่นะไม่ใช่เราแก่อีกละไอ้วัตถุก้อนนี้มันแก่มันเก่าอย่างเก้าอี้อย่างโต้ะอะไรเนี้ยใช้ไปนานๆมันก็เก่าไอ้ตัวนี้ก็เหมือนโต้เหมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งเหมือนกันถ้าใจเราถอยออกมาเป็นคนดูนะอยู่ไปเรื่อยก็ดูมันเก่าถ้าเป็นคนเราก็เรียกว่าแก่เป็นของเราก็เรียกว่าเก่าต่อไปมันก็เริ่มชอบของเริ่มชำรุดผูกร่อนถ้าเป็นคนเขาเรียกว่าเจ็บ นะเจ็บใครได้ป่วยนี่เราค่อยๆรู้ไปนะเห็นว่าร่างกายเราที่มันแก่มันไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บต่อไปกระทั่งร่างกายตายนะไม่ใช่เราตายเนะนี่คยค่อยๆฝึกนะแล้ความทุกข์มันจะหมดไปความทุกข์มันมีอะไรลนะ่ะความทุกข์มันก็มีความแก่ความเจ็บความตายใช่เป็นทุกข์การพลัดพลากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รัก ความไม่สมปรารถนาเนี่ยเป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นทุกข์ทางร่างกายการที่ผิดหวังไม่สมหวังต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ชอบใจอันนี้เป็นทุกข์ทางใจเนี่ยถ้าเรามาดูร่างกายบ่อยๆอย่างที่หลวงพ่อบอกให้เนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายมันกวาดบ้าน เห็นร่างกายมันซักผ้านะเห็นร่างกายมันทำงานอย่างโน้นอย่างนี้ไปหรือมันเห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายมันหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยมันจะถอนความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราต่ไปร่างกายซึ่งมันเราเห็นแล้วเราไม่ใช่เราเพราะมันแก่ไม่ใช่เราแก่ละมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บมันตายไม่ใช่เราตายใจมันจะไม่หวั่นไหว เมื่อวานนี้ก็เผาศพครูบาอาจารย์ไปอ ง, งค์หลวงพ่อคําเขียนนะอย่างหลวงพ่อคําเขีย น, นไม่สบายเป็นมะเร็งพูดก็ไม่ได้กินอาหารธรรมดาก็ไม่ได้นะต้องเจาะหายใจก็เจาะคอนะหายใจหายใจนะพวกเสเลต์อะไรก็ออกมาทางคอเนี่ยที่เจาะเอาไว้ด้วยนะเว้ยลาบากแต่ใจท่านสบายเพราะท่านมีปัญญาท่านเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายไม่ใช่ตัวท่านร่างกายมันแก่เรื่องของร่างกายร่างกายมันเจ็บเรื่องของร่างกายร่างกายมันตายเรื่องของร่างกายไม่มีความมิตกหวั่นไหวอะไรเลยนะทำไมเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะเห็นบ่อยเฉนั้นพวกเราจะเป็นอย่างนั้นได้นะถ้าเราเห็นบ่อยๆเห็นร่างกายบ่อยๆรู้สึกนะดูบ่อยๆรู้ตัวเห็นร่างกายทํางานบ่อยๆนะวันหนึ่งจะเห็น พอเห็นแล้ว <mister> ม <tumors> wow. okay. ันจะคลายความยึดถือก็ไปแล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายอีกละในทางจิตใจก็ค่อยเห็นเหมือนกันจิตใจของเรานั้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเวลาจิตใจนั้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเป็นไหมทุกวันความรู้สึกเหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมวันเดียวกัน่ะเช้าสายบ่ายเย็นความรู้สึกก็ไม่เหมือน แลถ้าเราดูได้ละเอียดขึ้นไปเราจะเห็นว่าความรู้สึกของเราเนี้ยเปลี่ยนอยู่เกือบตลอดเวลาเมื่อตามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อลิ้นกระทบริความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อร่างกายกระทบความเย็นความร้อนความมอนความแข็งอะไรพวกนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนเมื่อใจของเราคิดนึกความรู้สึกก็เปลี่ยน จริงไม่จริงนั่นเเวลาเรามองเห็นอย่าเร า, ามองเห็นคนที่เราชอบนะีพอเราเห็นพวกเราสบายใจเราดีใจใช่เราเห็นคนที่เราเกลียดความรู้สึกเราเปลี่ยนไหมทีแรกเราเฉยๆพอเห็นคนที่เกลียดนะโ้โหความเกลียดมันเกิดขึ้นใจนี่นมันชิงชังเราร้อนขึ้นมานะเราได้กลิ่นดอกไม้หอมๆชอบไหมชอบนะใจเขาเกิดความชอบขึ้นมาได้กลิ่นเหม็น เห็นอะไรเหม็นนอกนะใจไม่ชอบนะใจไม่ชอบในี่ใจมันเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจก็เปลี่ยนลิ้นกระทบรสใจก็เปลี่ยนได้กินของอร่อยชอบใจกินแต่ของไม่อร่อยนะเซ็งมากเลยไม่ชอบใจเบือ่อนะี่ความรู้สึกมันเปลี่ยนเมื่อลิ้นมันถูกรสความรู้สึกมันเปลี่ยนเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสร่างกายนะอย่างเรานั่งๆ่งอยู่นะมีอะไรนิ่มๆมาถูกตัวเราหรือนะเราเป นั่งอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งมีอะไรนิ่มๆสงสัยว่าจะมีหมาน่ารักมาสีเราะเราเป็นคนชอบหมาซะด้วยหมามาสีเราจะแหมรู้สึกดีก้มลงไปนะไอ้หมาขี้เลื้อนน่ะใช่ไหมความรู้สึกสบายใจถ้าเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยหรือถูกมีดบาดเคยถูกมีดบาดไหมความรู้สึกเปลี่ยนไหม เปลี่ยนได้หลายอย่างเลยนะแทบตกใจใช่ไหมเคยไหมกลัวก็มีถ้าเลือดออกเยอะก็กลัวมเคยโมโหไหมมีดบาดใครว่าเอามีดมาวางไว้เกะกะ ะ, ะโกรธมีดซะอีกมีดบ้าบออะไรคมเหลือเกิ น, นอีกวันหนึ่งจะมาปอกมะละกอทําซ่อมํามีดนี่ทื่อเหลือเกิ น, นะไม่พอใจอีกแล้วเอ็กก็เล่มเก่าอีกแล้วใจนั้นมันเปลี่ยนตลอดเลย อย่าไปนึกว่าการทำกรรมฐานนะคือการทำอะไรที่แปลกๆใช้ชีวิตอย่างนี้แหละแล้วคอยรู้เอาเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดินนั่งนอนเราก็จะเห็นว่าจิตใจเนี่ยเปลี่ยนตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดินเดินอยู่ได้ยินเสียงคนดา่าไอ้บ้าได้ยินเสียงไฮ้บรรดาเราโกรธ หันไปดูฝากฏวเนเพื่อนซีเรามันทักทายคำเรียกไอ้บ้าเนี่ยเป็นคำทักทายนะหรือบางทีมีคนมาล้อชื่อพ่อเราฟังแล้วโกรธนะหันไปอ๋อเพื่อนเรานะเรียกชื่อพ่อกันมาตั้งแต่เด็กไม่โกรธนี่ความรู้สึกเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะเปลี่ยนแปล ง, ปลงตลอดเวลาเลยหรือเรายืนอยู่หรือเราเดินอยู่นะมีคนมาเหยียบขาเรามาเหยียบเท้าเราโมโหไหม โมโหหันไปอยสาวสวยมาเหยียบโอ้ยส้มหล่นใส่อย่างนี้นะดีใจสิบุญเห ล, ลือเกินวันนี้สาวเหยียบจะได้หาโอกาสคุยด้วยแน่นใจนะมันจะพลิกไปพลิกมาเปลี่ยนจากโมโหนะเป็นดีใจในฉับพลันเลยนีน่เราความรู้สึกของเราเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งวันอยู่แล้วมันเปลี่ยนอยู่ทั้งวันอยู่แล้วให้เราคอยรู้ทันนะ จ, จิตใจมีความสุขก็ให้รู้ จ, จิตใจมีความทุกข์ก็ให้รู้ จ, จิตใจดีก็รู้จิตใจโลภโกรดหลงก็รู้รู้เรื่อยๆรู้เพื่ออะไรจะได้เห็นความจริงของนามธรรมาคือ จ, จิตใจเราความจริงของนามธรรมาก็คือไม่เที่ยงจะดูได้ง่ายว่าไม่เที่ยงนะเพราะมันเปลี่ยนเร็วจะดูได้ง่ายอีกอย่างว่าเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับนะถ้าดูร่างกายเนี่ยจะเห็นอ น, นิจจังยากหน่อย ร่างกายเนี่ยกว่าจะดูให้มันแก่นะดูยากหน่อยกว่าจะดูให้มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยดูยากมันมันเปลี่ยนช้าไม่เหมือนจิตใจจิตใจเปลี่ยนเร็วเพราะงั้นดูอันนี้จังง่ายร่างกายเนี่ยดูทุกง่ายพร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งเก้าอี้ตัวละแสนก็เมื่อยนะไม่ใช่ไม่เมื่อยนอนเตียงอานลแสนก็เมื่อยเหมือนกันเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่มันจะดูทุกข์ได้ง่าย แล้ <PTSD> ร่างกายเนี่ยเราจะเห็นอนัตตาในมุมของว่ามันไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราในแง่ของความไม่ใช่เราส่วนจิตใจเราจะเห็นตัวอนิจจังได้ง่ายและเห็นอนัตตาแต่อนัตตาของกายกับใจเนี่ยมุมมองมันจะต่างกันอย่างทางร่างกายเราจะเห็นว่าไม่ใช่เราหรอกมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่เราในทางจิตใจเราจะเห็นว่าบังคับไม่ได้ คำว่าอนัตตาทางใจเนี่ยเป็นเรื่องบังคับไม่ได้สั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้ใช่ไหมมีความสุขแล้วสั่งให้ความสุขอยู่ตลอดไปก็สั่งไม่ได้จะห้ามไม่ให้ความทุกข์เกิดก็ห้ามไม่ได้ความทุกข์เกิดแล้วไล่มันให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปเราไม่มีอำนาจไปบังคับมันหรือใจเราเราจะสั่งว่าอย่ากโกรธบางทีมันก็โกรธเคยบ้างไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วโกรธเนี่ยเคยไหมใครเคยเป็นยกมือให้ดูหน่อยสิ หลวพ่อก็เคยเป็นตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธนะเคยตั้งใจจะไม่รักเลยแล้วก็รักตั้งใจจะไม่โลภแล้วก็โลภนะมีคนหนึ่งรู้จักเคยรู้จักอยู่บอกว่าจะไปเดินเล่นศูนย์การค้าเดินเอาแอร์เย็นๆอนะ่ะร้อนไม่ซื้อหรอกเสียดายตังคนะ์เดินๆไปกระเป๋ารูปนี้สวยเห็นกระเป๋าใจอยากได้รู้ว่าอยากได้เผลอแวบเดียวนะมารู้สึกตัวอีกทีนะ่ะ กลับมาถึงบ้านพร้อมกระเป๋าแล้วเนี่ยเราสั่งไม่ได้เราสั่งไม่ให้โลภมันโลภสั่งไม่ให้โกรธมันโกรธหรือบางทีอาฆาตคนใครเคยอาฆาตบ้างมีไหอระวังหน้าอาฆาตเก่งตอนเป็นผีเ็ผียาฆาตอีกอตั้งใจจะไม่โกรธตั้งใจจะไม่อาฆาตนะแต่เจอหน้าแล้วทนไม่ได้เนี่ย มีผู้หญิงจำนวนมากเลยนะสามีรักรักกันมากเลยวันหนึ่งสามีพลาดพรั้งไปมีอินูเขาพลาดพลั้งครั้งเดียวในชีวิตนะเราก็เลิกนะันเมียจับได้ก็เลิกนะยายเมียหลวงเนี่ยจำตลอดชีวิตเลยนะใครมาก็ด่าผัวเนี่ยนะทรยศนอกใจเจ้าชู้เท่าหัวงูนะด่าด่าดา่จนกระทั่งสามีตายคนมางานศพเนี่ยเธอ ดูขางนอกนะก็ดีหรอกนะแต่จริงๆเจ้าชู้เนะ <c oughs> นี่ยมันไม่ค่อยอาฆาตเท่าไหรนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าความจําดีนะจดําดีไม่ค่อยอาฆาตหรอกแต่จาแม่นนะกายทาอะไรก็จําแม่นเนี่ยเราสั่งมันไม่ได้ใจมันจะอาฆาตนะก็ห้ามมันไม่ได้ตรงที่ห้ามไม่ได้นี่แหละเรียกว่าอนัตตาเนี่ยเรามาดูกายนะดูรูปธรรม รูกประธรรมนี้มีแต่ทุกข์ลูกประธรรมนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุนามาทำคือความรู้สึกทั้งหลายมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปวันใดที่ใจมันเข้าใจแจม่มแจ้งนะแจมันจะครความยึดถือกไปถ้ามันเห็นความจริงว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์เนี่ยมันจะหมดความอยากให้ร่างกายเป็นสุขมันรู้แล้วว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์จะอยากให้สุขไปทําอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมานะหรือ จะอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์ความอยากอันนี้ไร้เดียงสาจะอยากให้มันไม่ทุกข์ต้องนั่งอยู่แล้วก็บอกว่าอย่าทุกข์เลยอย่าทุกข์เลยมันก็เมื่อยก็ห้ามมันไม่ได้พอใจมันฉลาดนะมันจะเห็นร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์พอความรู้แจ่มแจ้งแล้วว่าร่างกายเป็นทุกขนะ์เนี่ยถ้าร่างกายแก่มันคือตัวทุกข์แก่สมน้ําหน้ามันร่างกายเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บก็สมน้ําหน้ามันนะร่างกายตายไอตัวทุกข์มันจะตายแล้ว สมน้ําหน้ามันไม่เสียใจหรอกนะเราจะไม่ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายนะถ้าเราเห็นความจริงของร่างกายแล้วร่างกายเป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์แก่ตัวทุกข์กเจ็บตัวทุกข์ตายเราจะต้องหวั่นไหวทาไมจิตใจนี่ละ่ะมีแต่ของไม่เที่ยงเราดิ้นรนหาความสุขแทบเป็นแทบตายดิ้นรนหนีความทุกข์แทบเป็นแทบตายนะสุดท้ายความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ที่เราดิ้นหนีนะถึงเราไม่หนีมันก็หาย ไม่มีความทุกข์ทารบอนความสุขทารบอนก็ไม่มีเพราะใจมันเห็นอย่างนี้นะแจมจะหมดแรงดินทุกวันเนี่ยดิ้นหาความสุขดิ้นนีความทุกข์พอเห็นความจริงแล้วว่ายไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ของไม่คงที่นะสุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเมื่อความสุขเป็นของชั่วคราวจะต้องไปอยากได้มันทําไมเมื่อความทุกข์เป็นของชั่วคราวจะต้องไปเกลียดมันทําไมเดี๋ยวมัน้าไปเนี่ยใจมันจะค่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางนะ ไม่รักไม่เกลียดเข้าสู่ความเป็นกลางหมดความดิ้นรนมีความสุขนะใจมีความสุขมีความสงบใจที่มันดิ้นรนหิวโหยนั่นแหะมันเหน็ดเหนื่อยที่สุดเลยวันวันเต็มไปด้วยความอยากความอยากเกิดตลอดเวลาใจก็มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาทุกคราวที่อยากมีความทุกข์ทุกทีเลยแต่ถ้าเราเห็นความจริงนะสุขทุกข์ก็เท่านั้นเท่านั้นแหละใจมันจะหมดอยาก นะเพราะฉะการที่เรารู้กายรู้ใจรู้รูรปธรรมนามธรรมอย่างแจ่มแจ้งเนะียมันจะหมดความอยากหมดความยึดถือในกายในใจนี้ถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเขาจะไม่ยึดนะเขาไม่ยึดแล้วเขาจะสัมผัสธรรมะอีกชนิดหนึ่งคือพระนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนะนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดใหม่ๆสดๆร้อนๆนิพพานมีอยู่แล้วนิพพานไม่เคยหายไปไหนนิพพานไม่เคยตาย ใจของเราต่างหากไม่เห็นเองทําไมใจของเราถึงไม่เห็นนิพพานซึ่งอยู่ต่อนหน้าต่อตาเพราใจของเราเนี่ยมีแต่ความอยากใจมีแต่ความทิ้นรนความอยากนั่นแหละมันมันปิดบังไว้ใจที่อยากใจที่อยู่โหยใจที่ทุรนทุรายมันปิดบังทําให้เรามองนิพพานไม่เห็นถ้าวัาในใดใจเราหมดความอยากหมดความยึดถือหมดความทิ้นรนเราจะเห็นนิพพานอยู่ต่อนหน้าต่อนนาตานี่ นิพพานคือสภาวะที่พ้นจากตัณหาพ้นจากความอยากไม่มีความอยากไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความยึดถือเป็นเป็นินสรภาพทางจิตใจขั้นสูงสุดนะที่คนอย่างพวกเราถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รู้รูป ร, รู้นามไปให้เต็มที่แนละ้วเราจะได้สัมผัสในวันหนึ่งข้างหน้าพระพุทธเจ้าท่านเดินมาก่อนแล้วท่านสอนมาครูบาาจารย์รักษาสืบทอดมาจน ถ, ถึงพวกเราแล้ว เพพวกเราเรียนรู้วิชาของพพุทธเจ้าไว้นะรู้สึกกายรู้สึกใจไปด้วยแล้ววันหนึ่งเราจะได้สัมผัสพระนิพพานล้วจะพ้นจากความทุกข์สิ้นเชิงนะแต่การจะเรียนรู้รูปธรรมานำมาทำได้ดีนะเบื้องต้นเลยต้องถือสีลห้าห้าข้อเท่านั้นแหละไม่ต้องมากถ้ามีสีลหนะ้าแล้วเราจะได้ความดีเดยอะแยะเลยนะรักษาศีลห้า ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจดูกายดูใจทํางานไปเรื่อยๆพอจําได้ไหมถือ4 5ไว้ก่อนนะแล้วก็ให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองอย่าใจลอยนะให้ใจมันอยู่กับตัวรู้สึกตัวไปสบายๆอยู่แบบไม่เคร่งเครียดการรู้สึกตัวเนี่ยต้องไม่ลืมตัวเองกับไม่เคร่งเครียดเรียกได้ว่ารู้สึกตัว ถ้าเนี่ยรู้สึกอย่างนี้ยไม่เรียกว่ารู้สึกตัวที่ถูกนะเนี้ยเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะแข็งไปไม่เป็นธรรมชาตินะแล้วถ้าเออระเหยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันลืมตัวเองสิ่งที่ผิดมันมีสองอันหนึงสิ่งที่ผิดมีแค่สองอย่างเองนะถ้าไม่ผิดเมื่อไหร่ถูกเมื่อนั้นเลยสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกตัวไม่ได้นะอันนึงคือลืมตัวเองใจลอยรู้จักใจลอยไหมใจลอยเมื่อไหร่ลืมตัวเองเมื่อนั้นนะ อีกอย่างหนึ่งก็คือบังคับตัวเองเคร่งเครียดนะบางคนทำอะไรให้ช้าช้าหิวน้ำแนละ้วจะกินน้ำนชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงแก้วเลย <c oughs> พอดีไตาวายไปก่อนนะเนี่ยใช้ร่างกายปกติอย่างนี้นะมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็เห็นมันจิตใจที่ปกติเงี้ก็เห็นมั น, นใจไม่ลอย ถ้าใจลอยเราจะลืมกายลืมใจนะถ้าตึงไปบังคับไปเพ่งไปกายจะแข็งใจจะแข็งถ้าลงมือปฏิบัติแล้วใจแข็งแข็งเมื่อไหร่นะตึงเกินไปถ้าลงมือปฏิบัติแล้วก็ใจลอยหนีไปเลยลืมกายลืมใจนี่แน่นหย่อนไปเราทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนพอดีพอ ด, พอดีแค่รู้สึกตัวสบายสบยนะรู้สึกไปเนี่ยทำให้ได้นะถือศีลห้าไปรู้สึกตัวไปสบายสบายนะ รู้สึกได้แล้วก็ดูกาถดูใจเขาทำงานด้วยอยๆไปอย่างที่สอนมาตั้งยาวนะแล้วไม่นานหรอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีควรจะได้ธรรมะบ้างสวดาสกทาคาอะไรเนี่ยคารวะก็ทำได้สมัยพุทธกาลคนก็ไม่ได้เก่งกว่าพวกเรานะสมองพวกเราหรือความสามารถพวกเราไม่ได้ด้อยกว่าคนสมัยพุทธกาลหรอกเพียงแต่ของเราของเล่นเยอะ เนี่ยมีมือถือมี น, น่นมีนี่นะมันทําให้เราฟุ้งซ่านลืมตัวเองบ่อยเท่านั้นแนหะคนโบราณไม่มีอะไรจะดูนดูกายดูใจไปเขาเลยภาวนาสะดวกกว่าเราเราของเล่นเยอะของหลอกลวงเยอะทําให้ใจฟุ้งซ่านนล้วเราอย่าฟุ้งซ่านมากนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆถ้าทําได้อย่างที่หลวงพ่อบอกนะเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ปีอะไรเนี้ยควรจะได้ธรรมะบ้าง คนสมัยก่อนไม่ได้เก่งกว่าเราหรอกเราเขามีสติปัญญาความสามารถไม่ได้แพ้เขาหรอกคนแต่ก่อนพอฟังพุทธเจ้าเทศแล้วก็ได้โสดาสกทาคาเยอะแยะคารวัตนะนะเบางคนกออกบวชบรรลุพระอรหันต์ไปบางคนเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นคารวาัตแต่มีน้อยนะบางคนก็ไม่ได้อะไรเลยมีกันนะอยู่กับพุทธเจ้าอย่างเทวทัวศตไม่ได้อะไรเพราะกิเลสมันแรงอยากใหญ่นะ พอไหวไหมจำได้ไหมถึงสี่ห้านะฝึกใจให้อยู่กับตัวเองสบายๆไม่เผลอไปไม่บังคับไปแล้วก็ดูกายเป็นทํางานดูใจเป็นทำงานเมื่อถึงเวลามารผลจะเกิดเองมรรผลที่เราสั่งให้เกิดไม่ได้มันเหมือนคนทํานาคนทํานาพอฝนตกก็ไปไถนาไถนาเสร็จก็ไปหว่านข้าวหว่านข้าวเสร็จแล้วก็คอยดูแลต้นข้าวถึงเวลาสมควรแล้วต้นข้าวก็ออกรวง เราก็ทํางานสามอย่างนะรักษาศีลฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจเจริญปัญญาด้วยการดูกายดูใจเขาทางานถึงเวลาอาริยมามักจะเกิดเองนะฝึกเอานะเราจะได้ได้ของดีค่อยสมกับที่พวกเราเป็นชาวพุทธโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีน้อยในสังสารวัตที่ยาวนานนะนานๆจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง เราพูดให้เจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยธรร ม, ยอยมนนออนะอยู่ไม่นานหรอกอยู่ไม่นาน้อหายไปเพราะว่าคนทั่วไปนะไม่ค่อยยอมรับรับไม่ไหวคนทั่วๆไปมันชอบกิเลสชอบความสนุกสนานเพลิดเพินนะที่จะมาสนใจเรียนรู้กายเรียนรู้ใจมันมีไม่มากส่วนคนที่สนใจนะก็จะหลุดพ้นไปในเวลาที่ไม่นานเกินไปหรอกนะอดทนนิดนึงดูไปเรื่อยๆน ะ, ะท่านนี้สมควรแก่เวลา กลับนบมรดการหลวงพ่อครับหลายปีแล้วครับมาได้มาพบหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วก็นั่งสมาธิ<ม>ถือศีลบ้าง<ม>ถือศีลครับ<ม>แล้วก็นั<ม>่งสมาธิบ้างน่ะเออยางงแล้วก็นั่งสมาธิแล้วถือศีลบ้างไม่ได้ <laughs> มีมีอยู่วันนครับที่นั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ากายก็อันนึง่ง เ, <อ>เวทนาก็อันหนึง่ง แล้วก็ความคิดการหนึ่งแล้วเราก็เป็นผู้รู้นั่นแหละจิตมันเป็นผู้รู้อยู่แต่ว่ามันนานๆทีนะครับอย่าอยากให้เกิดนะครับถ้าอยากแล้วไม่ได้อยากไม่มีแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเจริญสติแล้วมันแบบมันรู้ตัวล้มลงนอนมันยังรู้เลยครับจะตื่นมันก็รู้ว่าจะตื่นมันเหมือนกับเหมือนกับจะว่จะขึ้นฝั่งอืมแล้วก็รู้ว่าเอามาเมื่อกี้ก็าฟุ้งฟุงก็คือความฝันอืตื่นมาก็ฟุ้งต่ออีกเถื่ออีกเงี้ยครับ แล้วก็ในช่วงที่ขอคุณนะภาวนาใช้ได้นะครัภาวนาดีขึ้นแล้วละการที่เราเห็นกายก็อยู่อั น, นึงเวทนาก็อนหนึ่งสังขารกนนึจิตอันหนึ่งอะขันมันแยกแต่จุดอ่อนคือใจมันยังฟุ้งเก่งไปเพระฉั้นวิธีการถ้าจะอยากได้มาผลเร็วๆนะต้อหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ให้อยู่กับ กายเวทนาจิตทำอะไรก็ได้ถ้าจะอยู่กับจิตเนี่ยก็ลองบริกรรมดูเช่นพุโทโธพุโทโธไปนะพุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปคิดแล้วรู้พุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปคิดแล้วรู้อย่างนี้นนจะทําให้ไม่หลงยาวครับก็จุดอ่อนของคุณคือมันฟุ้งเก่งะถ้าแก้ตัวนี้ได้มันจะก้าวหน้าเร็วแต่ก่อนนี้ที่เคยพบหลวงพ่อที่ศูนย์สุนันทานี้หลวงพ่อบอกให้ดูกายพอมารู้ลมหายใจพุกเนี่ยอืพอมารู้กายแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันไปรู้ว่า มันฟุ้งทั้งวันออืนาทีหนึ่งนี่ไม่รู้กี่สิบครั้งเดี๋ยวไปออทั้งรู้ทั้งนี้ไปตามอายตานะอุตรุษเลยทําไมหลวงพ่อให้รู ก, กายแล้วไหมครับแล้วครูบาอาจารย์สอนนะรู ก, กายเนี่ยเพื่อให้มีแรงเห็นจิตนะกายเนี่ยเป็นบ้านจิตเป็นเจ้าของบ้านเมื่อเรายัางหามเจ้าของบ้านไม่เจอเราไปเฝ้าบ้านแหละเดี๋ยวเราเจอนะนั่นที่ให้คุณรู้สึกกายอยู่เนี่ยถาดูจิตตรงๆไม่ได้ฟุ้งมากไป การหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะอยู่กับพุโทโธอยู่อะไรนะช่วยมันหน่อยอยู่ก็ลมหายใจได้ไหได้นะแต่ระวังซึมครันะอย่าให้ซึมหายใจไปสบายๆหายใจแล้วรู้ทันจิตจําประโยคนี้ไว้นะหายใจแล้วรู้ทันจิตไม่ใช่หายใจเอาดีเอาสุขเอาสงบนะแล้วก็พอจิตมันไปฟุ้งตามอัจฉระเนี่ยมันก็จะคอยว่าตัวเองอยู่เลยว่าฟุ้งไปนะฟุ้งไปนะอย่างเงี้ยครับตรงที่คอยว่าเนี่ก็เป็นฟุ้งครั้งที่สอง <laughs> ก็รู้สึกว่ามันเหมือนต้องอย่างนี้นะต้องใจอย่างนี้ถึงจะถูกนะครับตัวเองไม่ใช่แมมันอยู่ๆมันก็หลุดออกมาครับมันไม่ได้เจตนาถ้าเจตนามันไม่หลุดออกรู้สึกว่ากิเลสมีอยู่แค่สามตัวทําไมแพ้วันยังครับโอ้ทำม้ามัก็มีสามตัวศีลสมาธิปัญญาครับแพ้ทั้งวันสามต่อสามนะครับก็คิดว่าปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกไม่ถูกขันไม่แยกหรอก ก็ไม่แน่ใจว่าก้าวหน้าจริงหรือเปล่าแน่ใจไปให้กระเนิดบ้างกลาวขอพระคุณหลวงพ่อขอถวายการปฏิบัติให้กับหลวงพ่อแล้วก็ถวายพระพุทธเจ้ากล่าวถวายพระเจ้าก่อนนะถ่ายรูปศิษย์ก่อนอาจารย์ไม่ได้กล่าวมรสการค่ะหลวงพ่อกล่าวขอโอกาสค่ะอืมสภาวะที่หนูตามรู้ตามดูอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่า พอจะตั้งมั่นได้ไหมเจ้าคะเคยเห็นใจมันวิ่งไปวิ่งมาไหมละ่ะค่ะเมื่อไหรที่เห็นว่าใจมันวิ่งไปวิ่งมานะมันนั้นมันจะตั้งมั่นอันตโนมัติค่ะถ้าจงใจตั้งเนี้ยใช้ไม่ได้จะแข็งแข็งไหมขนาเนี้ยแข็งเจ้าคะ่ะ อ, อสรุปได้อย่างว่าตั้งถูกหรือผิดสรุปได้เจ้าคะ่ะหลวงพอ่เ อ, อเก่งสรุปได้ด้วยตัเองหลวงพ่อเจ้าคะกลับขอการบ้านให้หโมอย่าไปโหดเที่ยมกับตัวเองเกินไป จริงจังไปภาวนานะให้มันมีความสุขความสบายไม่รีบร้อนดูดีทุกรนไปร่าร้อนไปดูสบายอินทรีโมโหนะหลวงพ่อกับขอบพระคุณช่วดูไปดูเล่นๆดูสบายๆดูมันดูคนอื่นดูแล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรก็ช่างมันค่ะเอาแค่ดูค่ะอาต่อไปการนมัสการหลวงพ่อค่ะเตื่นเต้นไหม เต้นเนะคะก็จะเห็นทุกข์มากขึ้นนะคะอเห็นทุกข์มากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มยอมรับพอเริ่มยอมแล้วเราความทุกข์ที่มันเห็นเรารู้สึกว่ามันมันเป็นทุกข์แล้วก็กับเรามันจะเป็นโคล่ตัวใช่ใช่ถ้าเราเห็นอย่างนั้นได้นะก็เรียกว่าขันมันเริ่มแยกแล้วนะถ้าแยกขันได้ก็เดินปัญญาได้หลวงตามหาบัวเคยสอนว่า ถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเราว่าเดินปัญญานะอะไรอย่างเงี้ยรานั้นตรงที่แยกขันได้เนี่ยตัวสําคัญเลยก็ก่อนหน้านี้หนูจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราอ่ะค่ะจะเห็นอีกมุมหนึ่งทีนี้คราวนี้เพิ่งมาเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเรารู้สึกว่าพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันใจมันสงบได้ง่ายขึ้นนะหนูก็ดูว่าเห็นกายเป็นทุกข์ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นว่าใจใจมันเป็นทุกข์ค่ะ ไปดูไปอีกอยังไม่พอถ้าเห็นทุกข์จริงนะเต็มที่พอนะมันจะทิ้งกายทิ้งใจมันสลัดทิ้งนะใจยังมีความสุขนี่ยังยึดอยู่รู้สึกได้รักกายมากเลยยังรักอยู่ไม่เห็นทุกข์จริงถ้าเห็นทุกข์เรารักไม่ลงนะรู้สึกไหอยังหวงอยู่แสดงว่าเรายังเห็นทุกข์ไม่พอต้องดูอีกนะต่อไปขอบคุณค่ะ นมัสการหลวงพ่อค่ะเอะ่ของหนูก็พยายามอยู่กับกายกับใจให้มากที่สุดนะคะแล้วก็พยายามรักษาศีอื์ค่ะแล้วทีนี้หนึ่งเดือนที่ผ่านมารู้สึกมีวันหนึ่งที่เห็นนั่งสมาธิแล้วมันเห็นความคิดมันเกิดอืผุดขึ้นมาค่ะแล้ว ม, มันก็หายไปนะคะหลวงพ่อนี่ไงมันเกิดจากความว่างๆนะว่างๆนผะุดขึ้นมานะแล้วก็หายไปในวาว่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นถูกแล้ว ล้วของหนูนี่ต้องดูทั้งกายทั้งใจใช่ไหมคะมีอะไรให้ดูดูกันนั้นนะคือเราปฏิบัติเนี่ยคาว่าสายกายสายจิตอะไรนี่มันขั้นต้นๆอะ่ะขั้นหัดดู <c oughs> พอถึงขั้นที่เดินมิปัสสนะจริงแนละ้วไม่มีสายบองทีสติก็รู้กายบองทีสติก็รู้จิตของคุณพาวนาได้ดีนะขอขอบคุณขอรบบนขอการบ้าน <c oughs> สังเกตใจเลยใช่ไหย ใจเราเด่นี้กตัตกอนไม่เหมือนกันดูออกไหม <c oughs> นะมันโปร่งโล่งเบาขึ้นมาดูไปได้วยกายนี้ไม่ใช่เราอันนี้มันเห็นชัดเจนอยู่ดูไปได้วยใช้ได้แล้วดีทำอีก <c oughs> ทำถูกแล้วกับนมัสการหลวงพ่อค่ะอันนี้ก็คือหนูเพิ่งเหมือนเป็นเริ่มต้น <c oughs> ตอนแรกก็ไม่กล้าที่จะมาส่งการบ้านแต่ก็เลยลองดูแต่ว่า ห, หนูอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทุกคนปฏิบัติหมดเลยแล้วโวยคนมีบุญนะแม่กระทั่งลูกแล้วก็สามีอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเป็นคนที่ขี้โมโหแล้วก็คือสิ่งข้อสนเนี้ยคือแบบแรงมากก็คือเป็นคนที่ขี้โมโหแล้วก็เป็นเหมือนคนใจร้ายที่สุด ข, ของบ้านนะคะแล้วก็ในที่ทำงานด้วย ก็คื อ, อที่ปฏิบัตินี่ก็คือฟังซีดีของหลวงพ่ อ, อกับพี่มารีเวลามาฟังเนี่ยมันก็จะเกิดแรงบันดาลใจมากแล้วก็จมดิม่จะพึกเขิล ม, มันจะทําได้พอผ่านไปเดือนนึงมันก็จะแผ่วแต่ว่าเห็นพี่ชายเห็นสา ม, มีทําก็คือเราก็อยากทําแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่ า, าเพราะว่ามันก็ไม่เห็นผลเพราะาเราก็ยังเป็นคนใจร้ายของบ้านอยู่ดีอย่างนี้นะคะเราไม่ได้ฝึกให้เป็นคนใจดีนะเราจะฝึกให้เห็นเลยว่าโทสะจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ แต่ว่าถ้าเรารู้นะมันจะครอบใจเราไม่ได้เห็นไหมความโกรธถ้าเราไม่รู้นะมันจะบีบคั้นใจเราแต่ถ้าเรารู้มันจะอยู่ช่วคราวแล้วมันก็ไปมันจะไปเร็วขึ้นจะโกรธสั้นลงโกรธเบาลงนะค่อยฝึกไปแล้วคนรอบตัวเราก็าจะได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นที่ก็อันนี้ก็ออยากเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วก็ไอ้ที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยก็คือที่ คือหนึ่งรูทรักษาศินให้แล้วก็ตอนเย็นก็จะพยายามที่จะเดินเขาเรียกว่าเดินกลับมาฐานใช่ไหมคะหลวงพ่อแต่ก่อนนี้ก็เคยสวดมนต์แต่ว่ารู้สึกมันทุกข์ทรมารแล้วก็มาเดินจงกรมแล้วพิชายเขบอกว่ามันผิดแล้วแหละแบบเนี้ยแต่พอดีเห็นสา ม, มีเดินแบบนี้ก็เดินตามแต่ก็คิดว่าเดินได้เพราะมันเดินด้วยความเพลิดเพลินแต่ว่าก็คิดว่ามีหลงบ้างเดินแล้วรู้ทันใจไหมเช่นเดินแล้วมีความสุขหรือว่ามีความสุข เดินแล้วฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านถ้าเดินแล้วเรารู้เท่าทานกิเลสอยู่ก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็ในชีวิตประจําวันก็คือเวลาโกรธมากหรือว่าขี้โมโหมากอะไรอย่างเงี้ยคือทําไปแล้วแต่ว่าก็กว่าจะมานึกได้ว่าเราโกรธมากพูดออกไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อที่ใช้ต่อไปเราจะสติเราจะเร็วขึ้นนะพอสติมันเร็วขึ้นมันก็จะรู้ตั้งแต่เริ่มโกรธมก็เห็นแล้วลนะ่ะ มันก็ไม่ครอบงำใจเราไม่ครอบงำใจเราเราก็ไม่ผิดศีลคนผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบใจนะถ้าเรามีสติเร็วกิเลสครอบงำใจไม่ได้ไม่ผิดศีลไปฝึกอีกค่ะ ข, ขอบขอพระคุณค่ะหลวงลูกเราจะได้มีความสุข <c oughs> แล้วสามีมาหมวันนี้มาทั้งครอบครัวค่ะแล้วลูกคือคือเร็วนี้ลูกเป็นคนชี้ให้เห็นเลยว่า คือเราคือเราเห็นลูกดีกว่าเราเลยค่ะเขาปฏิบัติกับกับลุงเขาทุกอาทิตย์แล้วทีนี้เขาก็บอกว่าก็กทะเลาะกันแด้ว่าลูกเรานิ่งมากแล้วลูกก็กรอบขอโทษแล้วบอกว่าคุณแม่รู้ไหมว่าคุณแม่นะ่ะไม่ไม่ไม่ดูใจตัวเองเลยแล้วก็ขอโทษคุณแสาธุก็คือเป็นแบบว่<ส>ามานที่สุดเลยพอลูกอายุสิบเ้าเจ็ดกับเก้าขวบค่ะเขาทำกับลุงเขาเป็นประจําแล้วเราก็เลยรู้สึกว่า คงต้องมาแล้วหละแต่ว่าวันนี้คือตั้งใจจะมามาคุยก<ะ>ับพี่มาใช้ได้เมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีเด็กเก้าขวบมาเก้าขวบแยกขันได้แล้ว <c oughs> นะหเห็นร่างกายอยู่ส่วนใจอยู่ส่วนนะความรู้สึกแยกออกไปเก้าขวบเองของพวกเราบากคนจะเ0้าสิบยังยไม่แยกค่ะค่ะหลงพ่อขอบพระคุณคะ่ะ <c oughs> ขออนุญาตส่งกันบ้านไปดเ้าเดือนครับก็เห็นสภาวะเกิดดับหลายๆอย่างแล้วก็รู้ทันความยินดียินลายดับสภาวะนั้นแล้วก็เห็นจิตตั้งมั่นเป็นแวบๆแล้วก็หลุดหลุดมาถูกถูกครับถ้าตั้งนานผิดนะตั้งเป็นคณะคณะนั้นใช้ได้ครับแล้วหลวงพ่อรู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนไปแล้วครับใช่ครับนะดีแล้วละภาวนาถูกแล้วแล้วหลวงพ่อมีกันบ้านอะไรเพิ่มไหมครับศีลดีหรือยังยังพร่องอยู่ครับเออก็ไปปรับปรุงนะ ทุกวันทําในรูปแบบไหมทาครับเออดีนะทําให้สม่ําเสมออยู่ข้างนอกเนี่ยเผอยาวหรืเผอสั้นเผ อ, อเผอสั้นแต่ว่าสั้นก็ยา ว, วก็รยะเนี่ยครับเราก็จะรูท้ทันแต่เผลอบ่อยครับเออเผลอบ่อยดีเออเยดใช้ได้ก้าวหน้านะไปทําอีกบบคครัการวัศกรหลวงพ่อครับผมจากที่ได้ไปเข้าคดที่สันสติธรรมกับหลวงพอ่อเมื่อเดือนเมษาจนที่ผ่านมาหลวงพ่อได้บอกว่า ขันมันแยกแล้วจิตก็ตั้งมั่นได้แล้วประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็กลับมาเพื่อเจริญสติให้ดีขึ้นทีนี้อยากจะได้ทราบแนวทางวิธีการจากหลวงพ่อว่าการเจริญสติแบบรู้สภาวะ จ, จิตจําสภาวะได้มแม่นนะมีลักษณะหลักยังไงครับผมจิตจมสภาวะได้มแม่นทําให้สติเกิดนะเป็นวิธีที่ให้สติเกิด จะจะจำสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยเราะฉะ้นเราคอยรู้ทันสภาวะอะไรที่เกิดในจิตใจเรารู้บ่อยๆนะต่อไปใจกระดิกตัวคลิกเดียวมันก็เกิดสติเองนะพอมีสติแล้วเราก็ใจเป็นคนดูนะมีสมาธิใจเป็นคนดูมีสติรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นมาให้เห็นสิ่งนั้นดับไปมีได้เกิดแล้วดับนั่นเป็นตัวปัญญากนะารอาศัยการที่เห็นสภาวะบ่อยๆนี่แหละ สติสมาธิปัญญาเราก็เพิ่มขึ้นมีสิ่งใดที่หลวงพ่อจะชี้แนะเพิ่มเติมกับผมไหมครับอย่าจริงจังนักนะส่วนที่ขันแยกแล้วก็แลแยกแล้วก็แล้กผันไปนะไม่ต้องรักษาถ้ารักษาแล้วเหนื่อยนะแยกบ้างรวมบ้างก็ใช้ไดนะ้เราไม่ใช่พระทหารขันจะได้แยกตลอดไม่จำเป็นครับถ้าพยายามจะแยกตลอดจยเครียดนะ จะสุดต่งไปข้างบังคับตัวเองแรงไปช่วงนี้บังคับแรงไปหน่อยนะครับอย่ายากดีการขอบพระคุณหลวงพ่อครับผมของคุณนีช่างคิดนะแจมันจะอุดรุนเลย๊หักเครื่องอยู่แลก็อยดูทันจิตนะกลับนวัต ก, การหลวงพ่อค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ <c oughs> ที่ที่เข้ามา ทีนี้อยากวันวันวันนี้เป็นคนโชคดีที่ว่าได้ส่งการบ้านหลวงพ่อนะคะแล้วทีนี้จะมีคำถามอยู่แค่ว่าหนูเองก็พยายามปฏิบัติสวดมนต์เช้าเย็นเน่นะคะแล้วทีนี้เมื่อสามวันที่ผ่านมาหนูฝันว่าหนูตายค่ะหนูตื่นมาหนูก็ตกใจว่านั่นคือความฝันแต่เองทั้งที่สวดมนต์อยู่แล้วเป็นอะไรลนะ่ะแล้วหนูก็ เ, เลยค่อกลัวไหม กลัวค่ะเนี่ยแสดงว่าเรายังรักนะยังรักมากหนูเป็นคนที่รักร่างกายมากนั่นหนูคอยเอากายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตรู้สึกร่างกายบ่อยๆนะต่อไปจะเห็นว่าร่างกายเนี้เป็นตัวทุกข์พอเห็นอย่างนี้ต่อไปจะไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายนี้จะแก่ก็ไม่หวั่นไหวจะเจ็บก็ไม่หวั่นไหวจะตายก็ไม่หวั่นไหวนะใครจะมีอิสระไม่ต้องกังวลในกาย ไปดูกายบ่อยๆค่นะหลวงพ่อครับขอบพระคุณค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อรู้ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะก็ฝึกเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะไม่ทราบว่าหนูปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยบ้างหรือเปล่าคนะที่เล่ามามันก็อยู่ในร่องในรอยนะ <laughs> ตื่นเด้นค่ะส่วนมนต์ไหว้พระเนี่ยจะบอกไม่อยู่ในร่องในรอยก็ไม่ได้ <laughs> เดินจงกรมเนอะ ก็ต้องอยู่ในร่องในรอยอสิเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ่อยเห็นความร้ายของเราไหมร้ายร้ายมากนะแล้วเจ้าอารมณ์ค่ะเออนะเจ้าอารมณ์มันโมโหเก่งเราคอยรู้ทันนะโกรธพลุบขึ้นมาเห็นไหมไม่รักโกรธมันพุ่งขึ้นมาคเคยเห็นไหมมันพุ่งขึ้นมาแต่บางทีก็ระงับไม่อยู่ค่ะเพยายามไม่กดเอาไว้ไม่ต้องกดมันแค่ว่ามือเราเก็บไว้ให้ดีปากเราเก็บไว้ให้ดีตรงนี้เราไม่กดนะ อย่าพุ่งพลึบเเห็นมันพุ่งขึ้นมาไม่ว่ามันแต่ว่าไม่ออกทางมือทางเท้าทางปากเท่านั้นเองสี่ห้านะหนึ่งปากสองมือสองเท้าตัวหนูดูกายดูจิตควรจะดูดูจิตนีคอารมณ์เราแรงอารมณ์เราแรงดูง่ายกราขอบพระคุณค่ะกราบนมรสกการหลวงพ่อเจ้าค่ะ ครั้งนี้หนูส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะคือตอนนี้คือดู ก, กาย เ, กเป็นหลักหนูกล้าหาญมากเลยปกติกคนที่ส่งกันบ้านคนสุดท้ายเนี่ยจะทุกข์ทรมานที่สุดเลยหนูนี่เข้มแข็งมากใช้ได้ค่ะคือตอนนี้ดูกายเป็นหลักอะเจ้าค่ ะ, ะหลวงพ่อคือกายไหวใจรู้แล้วทีนี้เป็นคนขี้โกรธเจ้าค่ ะ, ะหลวงพ่อบางครั้งโกรธแล้วหนูจะมาเจริญสติในรูปแบบคือยกมือสร้างจังหวะเจ้าค่ะหลวงพ่อบางครั้งก็ หายบางครั้งก็ไม่หายเจ้าค่ะถ้าทำให้ถูกหลักนะอย่างถ้าพอโกรธแล้วหนูก็มาทาจังหวะเพื่อจะหายให้หายแล้วหายบ้างไม่หายบ้างเนี่ยไม่ใช่หลักคงมิปัฏนานมิปัฏนานต้องการให้เห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้ต้องการดีไม่ได้ต้องการสุขไม่ได้ต้องการสงบอย่างเวลาโกรธขึ้นมาไม่ดีเราก็พยายามาขยับเพื่อให้โกรธหายเราจะเอาดี เวลาโกรธขึ้นมาจิตใจเล้าร้อนฟุ้งซ่านาขยับให้หายเพ่จะได้สงบโกรธขึ้นมาไม่มีความสุขมาขยับเพื่จะได้สงบลงมาแล้วมีความสุขเนี่นเรามุ่งไปเอาดีเอาสุขเอาสงบเนสะียไม่ใช่วิปัสสนาะนะวิปัสสนามุ่งให้เห็นความจริงสัง เ, เกตไหมเวลาโกรธก็โกรธชั่วคราวรเห็นไหมโกรธมาได้เองโกรธไปได้เอ ง, งอย่าไปไล่มันนะขยับตัวทําจังหวะเนี่ยเพื่อจะหัดรู้สึกตัว ขยับไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองะขยับเช่นขยับแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันขยับแล้วใจหนีไปคิดรู้ทันอย่างนี้บ่อยๆนะเลยขยับไปแล้วใจมีความสุขก็รู้ขยับไปแล้วฟุ้งซ่านก็รู้ที่ขยับมือเนี่ยเพื่อจะมารู้ทันจิตนะไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้นิ่งถ้ามุ่งบังคับจิตให้นิ่งจะไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยะคือตอนนี้มิตรแบบรู้สึกตัวเป็นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ว่าไม่รู้ว่า หนู<ม>เห็นไหมว่ า, าความโกรธนี่ยก็เกิดได้เองจ้าค่นะดูอย่างนี้แหละมันมาเองมันไปเองมันอยู่ชั่วคราวนะความรู้สึกอื่นๆก็แบบเดียวกันหัดตัวอย่างนี้เรื่อยๆไปส่วนการขยับตัวนะั้นะเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวหลังนะขยับทําจังหวะเนี่ยเพื่อจะหัดรู้สึกตัวขยับแล้วใจหนีไปคิดว่รู้ไม่ใช่ขยับเพื่อให้ใจดีใจสุขใจสงบนะแตนะ่ขยับเพื่อจะรู้ทันใจ ตั้งหลักให้ถูกนะเจ้าค่ะน้าถึงจะไปได้แล้วตอนนอนเจ้าค่ะหลวงพ่อเมื่อก่อนคือจะเป็นคนที่ฝันอะไรจะจําไม่ค่อยได้แต่พอทีเนี้ยมันเห็นความคิดบ่อยมากค่ะใช่มันเป็นแค่ความคิดฝันนะแล้วนอนพลิกซ้ายพลิกขวามันรู้ตัวทั้งคืนได้นะเนี่ยรู้สึกสเติมันดีขึ้นดีขึ้นเจ้าค่ะขอกลาบขอกันบ้านหลวงพ่อจ้าค่ะตั้งหลักให้ถูกไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆก่อน ก็คะขอบพระคุณจ้าถ้าหลักถูกรกับการปฏิบัติจะ ง, ง่ายหลวงพ่อไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนนะแต่ท่านเป็นมาเ็งครั้งแรกนะไปเจอหน้าท่านนะท่านก็นอนอยู่ก็เห็นหน้าหลวงพ่อนะ่ะจิตท่านไหวนะท่านเห็นหน้าหลวงพ่อท่านบอกโอ้พระศาสน า, าไปได้แล้วมีคนสืบทอดอย่างนี้แล้วพอไปท่านเป็นมาเลงครั้งที่สองก็ไปเยี่ยมอีกไปเจอหน้าท่านเหลือคนเดียวแล้วนะที่จะสอนเรื่องการเจริญสติ ส่วนให่มันไม่มีนะไม่ค่อยทําสติหรอกส่วนมากทํากระทั่งขยับมือยังไปทําเป็นสมาธิเลยทําให้สงบทําให้ดีอย่าไปมุ่งตรงนั้นมุ่งตรงนั้นไม่ขึ้นไม่ปั ส, สนาตั้งใจไว้ว่าเราขยับเนื้อเพื่อจะเตือนตัวเองไม่ให้หลงยาวขยับไปแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองใจหนีไปแล้วเราไม่รู้ทําก็หลงยาวขยับแล้วใจหนีไปเรารู้สึกเร็วใช้ได้รู้สึกแล้วก็เห็น จิตใจนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปได้นี่ครับตามองเห็นก็โกรธหูได้ยินเสียงก็โกรธงั้นเราเราขี้โกรธอะไรกระทบเราโกรธหมดเลยอยู่คนเดียวเรานั่งคิดก็โกรธอีกไม่มีคนอื่นให้โกรธเราก็โกรธตัวเองอีกนะอถ้าก็มันขี้โกรธสุดยอดนะโกรธกระทั่งตัวเองอ่ะเนี่ยเราก็จะเห็นนะใจมันโกรธมันพุ่งขึ้นมาได้เองพอพุ่งขึ้นมาเรารู้อยู่เฉยๆนะมันได้หายไปนะไม่ได้ไปดูให้มันดับนะดูให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะอยู่นานแค่ไหนเรื่องของมัน ถ้าใจเราเป็นกลางจริงนะมันจะดับทันทีเลยแต่เราไม่ได้ฝึกให้ดับเราฝึกให้เห็นว่ามันไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับไปดูอนัตตาไว้ของหนูดูอนิจจังไม่ได้ไม่ได้ผลดูอนัตตาว่ามันไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับไปดูตัวนี้ไว้นะพวกโทสากลา้าปัญญากลา้าต้องดูอนัตตาอพอสมควรนะนะยังมีครัอ๋ออยู่นี่โอ้พอนานดีใช้ได้ แอาว่าไปคำวรรมัสการครับคือฝึกทีแรกกับแนวหลวงพ่อเนี่ยมีสติแล้วแล้วก็จิตเริ่มตั้งมั่นบ้างแล้วแล้วก็ขันเริ่มแยก<า>บ้างแล<ย>้วเพราะต่อมาคือพอถึงขั้นจะเดินวิปัสสนาจิตมันจะจำได้ว่าตั้งมั่นเป็นยังไงแ ย, แยกขันเป็นยังไงมันก็จะหลงไปจะไ ป, ไปสร้างมันขึ้นมาให้มันเป็นเองอย่าไปทามันขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวว่า ว่าเราจะอยากจะแยกขันต์นนตัวเนี้เป็นปัญหาของนักปฏิบัติที่เก่งนะคือเราจําได้ว่าจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงอยู่ๆล้วก็ทําตัวนี้ขึ้นมาเลยมัไจะเป็นตัวปลอมจะทื่อๆมันจะไม่นุ่มนวล น, นะไม่งั้นมันจะเคลื่อนไหวนุ่มนวลสบสบา ย, บายปล่อยมันสาเหตุก็คือเนื่องจากว่าตอนทีแรกคือเรามีสติเนี่ย มันจะไม่เร็วเท่าไหร่ครับก็เลยพยายามหาวิหารธรรมพอวิหารธรรมแล้วก็มีการรู้สติขึ้นมาแต่มันจะมันจะแข็งแข็งครับมันจําได้พอมันจําได้ว่าเอ๊ะความรู้สึกตัวเป็นยี้ยก็รู้สึกเลยรู้สึกมันรู้สึกแรงไปพอรู้สึกแรงเนี่ยถ้าเราความรู้สึกแรงมากๆนะมองไปในอากาศนี่เห็นเป็นเม็ดๆเลยนะมันเราความรู้สึกแรงไปให้คลายออกนะสติแรงไปเป็นนิษตัณนูตัวหนึ่งนะ สติเข้มข้นไปเวลาเราทํำวิปัสนาเราแยกขันเราเห็นขันเกิดดับแล้วเนี่ยทุกคนต้องเจอวิปัสสนูวิปัสสนูมีทั้งสิบชนิดนะการที่มีสติเข้มข้นมากเลยตั้งไว้ได้ตลอดเวลาเป็นวิปวัสสนานึงก็ ว, วิธีการก็คือรู้ทันมันนะคลายมันออกมีใจที่ตั้งมั่นใจที่สบายๆรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆอย่าทิ้งค้าวเสบายงไม่จคลายออก ใจมันจะกลับเข้ามาสังเกตไหมว่าใจไม่ถึงฐานยังดูไม่ออกครับสังเกตไหมใจอยู่ที่ไหนอยู่นอกๆใช่ใช่อยู่นอกๆตัวนี้แหละทำให้เกิดมิปะสะัสนถ้าจิตถึงฐานเมื่อไหร่มิปัสะนูจะหายทันทีนะมิปัสะนมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าธรรมมุตทัตจะธรร ม, มะอุทธัตจะฟุง้งซ่นในธรร ม, มะใจมันไหลออกไป ให้เรามีสมาธิจิตถึงฐานมิปัจจานุสิบชนิดจะดับทันทีเลยนะเพราะงั้นไปสังเกตใจที่ไม่ถึงฐานไม่บังคับให้ถึงเอาแค่รู้ว่าไม่ถึงนะเดี๋ยวมันจะเข้ามาพอมันเข้ามาหายเนี่ยเริ่มหายแล้วรู้สึกไหมต้องอย่างนี้นะแล้ว อ, อย่ารักษานะสังเกตไหมใจเบิกบานขึ้นมาแล้วครับตรงนั้นจะทื่อๆไปไม่มีอะไรหรอกใจมนอยู่ข้างนอก เออใช้ได้แล้วอย่างนี้เห็นไหมว่าคําว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นยังไงครับนี่แหละกลับขอบพระคุณพระพุทธเจ้าหลวงพ่อและก็ทีมทีมงานสตาร์บเลยครับโอ้ดีจังสตารนี่สตารยิ้มหวานเลยอยู่ตั้งนานไม่มีใครขอบคุณเลยแต่ละคนนะเวลาจัดให้พวกเราฟังทำนะแต่ละคนจะไม่มีแรงที่จะปฏิบัติไปพักหนึ่งเลย ตอนเตรียมงานก็ฟุ้งซ่านต้องเตรียมงานไม่มีแรงภาวนาเขาเสียสละให้เรานะพวกเราอนุโมทนาให้เขาหน่อยเขาจะได้จัดอีกเราเราจะได้มาเรียนธรรมะหมดแล้วเรยนะเราังมีอีกอ่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติมาได้ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะนะคะเพราะว่า จุดเปลี่ยนที่เริ่มปฏิบัติก็คือซีดีหลวงพ่อที่พูดคําว่าคนนอนกระดิกเท้าก็ปฏิบัติทำได้หนูก็เลยคิดว่าเอ๊แต่ก่อนคิดว่ายากมากเลยการปฏิบัติธรรมเพราะว่าเรามีความรู้สึกยากก็เลยเริ่มที่จะมาดูกายดูใจปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งมสมาธิเดินจงกร ม, อ, มอันนี้แต่ว่าแต่ก่อนเป็นคนเคร่งเครียดมากนะคะมีความยากที่จะปฏิบัติให้ได้ พอหลวงพ่อเริ่มให้ดูในชีวิตประจำวันก็เหมือนกับเราสบายขึ้นเราเห็น เ, เราเห็นการหลงไปทางตา hmm. ทางหู hmm. แล้วก็เห็นความหงุดหงิดของเราความกโกรธแต่ว่าบางครั้งกโกรธเนีเราไม่ทันจริงๆ hmm. แต่ว่าพอเริ่มหงุดหงิดเราจะรู้แล้วว่ามันมันอยู่ในในข้างในเราอะค่ะแล้วเราก็บอกตัวเองว่าหงุดหงิดแล้วมันก็อยู่ๆมันก็หายคือเหมือนกับว่าเราผ่อนคลายขึ้น แล้วก็ทางยืนเดินนั่งนอนนี่ก็รู้มากขึ้นแต่ว่าถามว่ารู้เยอะไหมไม่เยอะก็คือเหมือนกับมันจะรู้มันก็รู้เองอว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่อะค่ะพ่อแล้วก็เอเคยช้ได้นะที่ฝึกมาใช้เวลานิดเดียวเดินเดียวค่ะประมาณ <c oughs> เดินสิบแต่ว่ามาีตอนนั่งสมาธิอะค่ะพ่อไม่รู้ว่าเรา นั่นไปหรือเปล่ามันจะเอนนั่งแล้วมันเอนขวาทุกทีเลยคะ่ะพอรู้ตัวก็กลับมานั่งตรงค่ะเชียงซ้ายเชียงขวาไม่เป็นไรนะธรรมะไม่มีซ้ายขวาค่ะก็ขอกันบ้านหลวงพ่อว่าปฏิบัติยังไงต่อค่ะทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วทำไปค่ะถือศีลทุกวันฝึกในรูปแบบเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจาวัน จิตรสติในวิชรวนันก็เห็นกายเห็นใจเขาทำงานไปเห็นเขาเปลี่ยนแปลงแค่นั้นแหล ะ, ะเดือนกว่าๆทำได้ขนาด น, นี้ใช้ได้เก่งค่ะกลับขอบพระคุณค่ะไม่ได้แกล้งชมนะเนี่ยเดือนท้ายแล้วค่ะเขาทำได้ขนาด น, นี้กรับธรรมสการหลวงพ่อค่ะค่ะพอก็ดูกายดูจิตแล้วก็พอดีอ ม, มีปัญหาตรงที่ว่า ดูกายดูจิตในชีวิตประจำวันมันมีช่วงหนึ่งที่ว่าเห็นสภาวะธรรมอ่าช่วงที่ว่าตัวเองคือตอนที่เห็นสภาวะธรรมมันไม่ได้ตั้งใจเลยขอเวลานอกแป๊บหนึ่งได้ไหมขอเวลานิดเดี๋ยวคนที่เพิ่งส่งงานบ้านเสร็จนะอย่าทําสมาธิแบบนี้เสมาี่อย่างเนี้ยเป็นมิจฉาสมาธิแข็งเกินไปทําแล้วก็เราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะดูออกไหมที่หลวงพ่อทําให้ดู อย่าให้มคนค้างนี่นะ <c oughs> นีเออ่เออเออเนี่ยต้องคลายออกมาอย่างนี้แล้วถึงจะถูกนะที่ทำนั้นไม่ถูกนะสมาธินั้นผิดอย่าทะค่ะพอดีเห็นสภาวะทมตอนที่ตัวเองไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ากายไม่ได้ส่งออกข้างนอกแต่ว่าดูลมหายใจดูดูดูกายอะไรเงี้ยเสร็จแล้วจิตเราเนี่ยมันสว่างโพ่งรอบทิศแล่า มันกิเลสเนี่ยหายหมดเลยค่ะมันเหมือนเอาก้อนหินเนี่ยไปคว้างลงในน้ําที่มีเจาะมันหวาดออกมันแวกออกเงนี้ยค่ะแล้วกายโดยกายกับจิตเนี่ยไม่ใช่เราอืก็คือจิตเนี่ยมันจะทํางานเออ่ของมันเองโดยอัตโนมัติอคืออส่วนเหล่านี่ไปอยู่กับตรงที่แสงสว่างนั้นอก็คือมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมาครอบจิตอะค่ะแต่ว่าชั่วขนาดจิตเดียวอค่ะอรู้ว่ากายกายกับจิตเออ่ อกโซนกับอกโซนนี่มันเหมือนกับว่ามันเมืนเสมอภาคกันเลยค่ะให้ได้รู้ตรงนี้นะว่ามันยังไม่ล้างกิเลสน ะ, ะนนเก่แม้พอมันกลับมาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามีเราอยู่อตอนนี้เป็นเราค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเราในในสภาพตนั้นไม่มีเราเป็นอำนาจของสมาธินะถ้าเป็นตัดด้วยอริยมรรคเนี่ยถอยออกมาแล้วจะไม่มีเราอีกเลยค่ะงั้นตอนนั้นมันรวมไปด้วยสมาธินะแต่ทําได้ก็เก่งแล้วล่ะ มันไม่ได้ตั้งใจเลยค่ะหลวงพ่อมันมันมันจะเป็นตั้งใจไม่เป็นหรอกแล้วมันจะเห็นสองครั้งครั้งที่สองก็คือเห็นกายกับจิตเนี่ยมันแยกแยกกันแยกกันในขณะที่เราเลื่มตานี้แหละแต่ว่าเราไอความแสงสว่างที่เคยเห็นครั้งแรกไม่มีให้เห็นนะคะที่เราไปอยู่ตรงที่แสงสว่างรอบท็จรู้ไม่ว่าทำไมครั้งแรกอะไม่เกิดอริยมรรทําไมคะเจิตไหลไปอยู่ที่แสงจิตมัวแต่สนใจที่แสงไงจิตเคลื่อนไปอยู่กับแสง นั้นจิตไม่เข้าฐานมรรคจะไม่เกิดค่ะจิตมันไหลาตามแสงไปมันเห็นแล้วนะอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่เราแต่จิตเนี่ยมันเป็นเรามันเป็นอาศัยแสงอยู่ใช่ค่ะจิตจิตจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแสงสว่างแ<อ>สงสว่างที่ว่ารอบทิศที่ว่าไม่มีจุดมีดวงอะไรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าชั่วขณะจิตเดียวขนุนรอแป้นเดียวนั่นเป็นสมถ <ellow. S 1> ะค่ะนะคือถ้าจิตมันถึงฐานไม่ไหลาตามแสงนะ กำลังเราพอนะอริยมรรคจะเกิดจิตต้องถึงฐานอันนี้จิตมันออกนอกฐานไปไปอยู่กับแสงแสงนั้นเป็นปฏิภาคนิมิตขยายไปไม่มีขอบเขตเลยนะใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ไม่มีขอบเขตแล้วก็กิเลสเนี่ยที่ว่ามันหุ้มจิตเนี่ยมันมันแบบมันมันกมันแบบกออกค่ะด้วยกำลังของสมาธิค่ะสว่างโพลงขึ้นมา เสร็จแล้วแสงเนี่ยกว้างไม่มีที่สุดเลยใช่เราสบายอยู่ตัวนี้ใจเนี่ยมันตามแสงนะถ้าใจมันทวนเข้าหาจิตนะจิตเข้ามาถึงจิตนะอริยมรรคจะเกิดค่ะแต่ตอนสภาวะนั้นจิตเนี่ยมันทํางานของมันเองคือเกิดดับต่อเนื่องอแล้วก็จะมีตัวสัญญาสัญญาไปป้อนข้อมูลว่ามันมันมันมันเป็นไอเโนนไอเนี้ยอะไรเนี่ยแต่ว่าไอ้กายเนี่ยมันก็คือมันทํางานเป็นส่วนหนึ่งของโลกไปเลยนะคะใช่แต่มันไม่ล้างกิเลสไง ต้องทอําอีกนะคือหลวงพ่อคะตอนเนี้ยสมาธิไม่เอาเลยค่ะคือปกติถ้าจะนั่งสมาธิคือแป๊บเดียวมันจะจะนิ่งใช่ไหมคะแต่ว่ามันมาติดตรงที่ว่าตอนเนี้ยสมาธิตัที่ก็ต้องทําใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวฟุ้งซ่านไม่ไม่ลงเลยค่ะตอนเนี้ยคือจะนั่งก็ปกติครึ่งชั่วโมงมันก็ไม่ไม่นิ่งอะค่ะตอนนี้นิ่งไม่นิ่งก็นั่งค่ะ<า>นะเรานั่งดูนั่งรู้สึกไปสบายๆถึงเวลาเนี่ยเขาสงบของเขาเองไอ้ตรงที่มันไปตามแสงตาอะไรนะมันก็เป็นเอง เราก็ไม่ได้เจตนาค่ะนถ้าจงใจอยู่มันก็ไม่เป็นสมาธิหรอกแล้วตอนนี้มันมีที่ว่าสภาวะกดแน่นนะคะคือมันเหมือนมันเหมือนเแบบมีโลโลผะยืนพื้นความอยากความอยากที่ประบวดพอพอเวลาเรานึกถึงเรื่องปฏิบัติครั้งไหนมันจะแน่นเ อ, อถูกแล้วก็คลายออกซะให้รู้ทันว่ามีโลผ้าโลภ้าแล้วเราก็ไปบังคับตัวเองแล้วก็อึดอัดค่ะต้องสบาย จะไหมนะต้องสบายนะขอการบ้านนะคะหลวงพ่อคะนั่นแหละไปฝึกให้ทํำสบายๆรู้เล่นๆ น, นะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทานจิตที่เคลื่อนรู้ตัวนี้บ่อยๆเนะี่ยเป็นการฝึกให้จิตเข้าฐานให้จิตถึงฐานนะแล้วก็เดินไปปั ส, สนาไปเห็นรูปนามเกิดดับไม่ใช่เราอะไรเนี่ยมันเดินไปพอนะมันรวมเข้ามาที่จิตจริงๆเลยเทนนี้อริมักเกิดมันจะไม่ไปรวมที่แสง จิตจะรวมลงที่จิตตรงนี้มันไม่เกิดเพราะว่าแสดงว่าสมาธิไม่พอใช่ไหมไม่ใช่สมาธิมันออกนอกสมาธิมีสองอันนะสมาธิอันหนึ่งไปอยู่ข้างนอกคือไปอยู่กระแสงสมาธิอันหนึ่งเนี่ยจิตรู้เนื้อรู้ตัวถึงฐานมันต้องฝึกให้ใจเข้ามาไม่ใช่ให้ใจไหลออกไปอย่างเนี้ยใจออกขนอกรู้สึกไหมค่ะอให้รู้ทันว่าใจออกนอกอย่าดึงนะถ้าดึงเนี่ยจะเข้ามาแบบแน่นๆถ้าแน่นเราใช้ไม่ได้ค่ะ แต่ว่าไหลออกนอกเรารูไหลออกนอกเรารู้ดวงพ่อถึงบอให้ไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปนะแล้วสมาธิของเราจะดีขึ้นจะเกิดสมาธิที่ถูกขึ้นมาสมาธิมีสองอันอันหนึ่งเรียกอารมณนูปนิชานจิตเพ่งอารมณ์อารมณ์ที่คุณเป็นคือแสงสว่างอสมาธิอันหนึ่งเรียกลักขณูปนิชานจิตถึงฐานแล้วถึงจะเห็นไตรลักษณนะ์ฝึกสมาธิให้ถูกอันค่ะ แล้วมีช่วงหนึ่งที่ว่าเคยนั่งสมาธิแล้วจิตไปน้อปจิตถึงอกุศลที่เคยทําแล้วใจเกิดเพิ่มปิติตรเสร็จแล้วมันจะมีแสงสว่างนะคะหลวงพ่อขณะที่ว่านั่งสมาธินี่ปิดไฟที่ห้องแต่ว่ามันจะเป็นแสงอเป็นเหมือนเสียงแสงแสงจันทร์อะไรอย่างนี้เสร็จแล้วก็คิดว่าจิตหลอกก็เลยลืมตาขึ้นขณะที่เลืมตาแสงสว่างนั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็คิดก็งงว่าเมันคือแสงอะไรก็น้มตัวลงนอนแต่ว่าตื่นเช้าขึ้นมาแสงนั้นก็ยัง ก็ยังคุมตัวอยู่ค่ะเรงกำลังของสมาธิเราดีเป็นเรื่องของสมาธิทั้งหมดเลยเราไม่ได้ฝึกเอาแสงสีเสียงนะค่ะค่ะไม่ใช่เรื่องลายหันสาวตอนนี้ก็คือให้เข้าสมาธิเคลื่อนค่ะรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆได้ค่ะเอาเท่านี้แหละเอบพระคุณหลวงพ่อค่ะตอนนี้ก็จะสิ้นการบรรยายธรรมของพ่อนะครับต่อไป ขอให้ทุกท่านนะครับตั้งใจระลึกถึงบุญที่ได้มาทําร่วมกันนะครับเพื่อให้ใจนี้เป็นภาชนะรองรับบุญนะครับแล้วก็ขอให้กล่าวคําถวายทานตามประผมนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวา ย, วายเครื่องปัจจัยไทยธรรมรและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พ ร, ระอาจารย์ปราโมชโ ช, าชาโขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเครื่องปัจจัยไทยธรร ม, รมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้าาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุ ข, สขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแ ก, าาแก่ญาติและมิตร มีบิดามารดาเป็นต้ น, าานและแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ ว, ลลวรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเา ต, าเวตราบสินนนบส้นการลนานเทินเหยาถาอริวหาปุราปริภูเรนติสาคลรังเอวเมวายโตทินงังเปตานาังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจตุ สเปปูเรนตตสังคปาจันโทปนรโสยทามณีชโชติรโสยทาสัพีติโยวิวัตชันตุสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตปันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขัง พรหลางังพออนุโมทนากระทีบงานนะ บ, บ้านสตินะ